ถ้าวันนี้เดี๋ยวสนทนากันต่อเนเอาในเรื่องของโสตาปฏิยังคะธรรมคำว่าโสตาปะิยังคะเนี่ยก็คุณสมบัติของบุคคลที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะก่อนที่จะพูดในเรื่องนี้ก็คือต้องการอยากให้พวกเราหรือท่านทั้งหลายเนี่ย ได้รู้สภาพความเป็นจริงว่าความเป็นพระโสดาบันเป็นสิ่งที่มีควาที่ควรสนใจไม่เฉพาะในระหว่างที่กําลังสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับพระนิพพานและความเป็นพระราหันเท่านั้นแม้แต่ตามปกติเป็นข้อที่ควรเน้นเสมออยู่แล้วแต่มักจะถูกล่าเลยนะความเป็นพระโสดาบันก็ดีภูมิธรรมและการดาเนินชีวิตในระดับนี้ก็ดีเป็นสิ่งที่ควรสนใจและควรเน้น แล้วก็ควรเน้นกันให้มากพระพุทธเจ้าตรัสย้ำบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราชนทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติห ร, หรือเชื้อสายโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในคุณสมบัติของพระโสดาบานัน4ประการฉะนั้นจะมองอย่างนี้ว่า ทำที่ทําให้บรรลุโสดาปฏิผลบางแห่งก็หมายถึงทำที่เป็นคุณสมบัติของพระโซดาบันเครื่องบรรลุโสดาเนี่ยเขาเรียกโซตาปฏิยัมคะตามรูปศัสาวก็แปลว่าเครื่องบรรลุโซดาหรือองค์คุณที่จะให้เป็นพระโสดาบันดังนี้สําคัญเพราะความเป็นปุถุชนเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดถ้าเราอ่านในพระไตรวิฎกทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย พุทเจ้าจะกล่าวถึงบอกว่าอริยาสาวกจะขับเน้นไปที่น่นแหละพระโสดาบันเป็นต้นหรือพระอาริยะฉะนั้นพุทธสาวกหรือพุทธสาวกระดับโสดาบันจำนวนมากมายในสมัยขั้งพุทธกาลมีเยอะมากายกตัวอย่างว่าในสาวถีเนี่ยมีประชากรเจสิบล้า น, นมีพระอาริยะซะห้าสิบล้านห้าแสนคน นี่นะโอ้โหเนี่ยถ้ามองจากหลักการตรงนี้ก็ยุ่งเลยยุยุทพระเจ้าอยู่นี่พทเจ้ามีพลังมากในการที่จะปรับจากบุรุชนหรือเทศแนะนำพร่มสอนให้บุคคลฝึกผลพัฒนาตนเองจากบุรุชนเข้าสู่ความเป็นอริยก็แสดงให้เห็นชัดว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างสังคม อ, อริยชนได้เลยไม่ใช่เป็นแค่เพ้อฝันแต่สามารถทำให้มนุษ นะปลุกเร้า ก, กระบวนการความคิดให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะฝึกผลพัฒนาตนเองทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญาจากผูุ้ชนเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันได้มรุปเป็นอริยะได้นี่นะเข้าสู่ความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่จเจริญได้และเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำ นั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นว่าการจะดำเนินชีวิตที่ดีงามชอบด้วยศีลธรรมอยู่ท่ามกลางสังคมของชาวโลกที่มีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนแก่พระศาสนาแก่บ้านเมืองและก็มีชีวะประวัติที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่างเยอะเลยในสมัยกัมพูธการเนี่ยนะท่านเหล่านั้นนี่ยแม้จะได้บรรลุภูมิธรรมที่สูงอยู่แล้วแต่ยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู่พอประสบความพลัดพลาด ก็ยังเศร้าโศกร่ำร่าอยู่ร่ำไห้อยู่ยังมีความรักมีความโกรธดังสามานชนแต่ละเมียดและก็บำบางแล้วและจะไม่ทําความชั่วความผิดความเสียหายร้ายแรงและความทุกข์ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเล็กน้อยเนี่ยถ้าเทียบกับความทุกข์ส่วนใหญ่ที่รับได้เป็นผู้มีพื้นฐานที่มั่นคงที่จะดําเนินชีวิตเนี่ยดำเนินทางก้าวไปข้างหน้าในมรคายาความสุขที่ไร้โทษ และเป็นกุศลที่ไพยบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เ่อมองจากรูปการตรงนี้ก็จะเห็นแล้วว่าพระเจ้าต้องการสร้างสภาพสังคมอย่างไรที่จะเอื้อเป็นประโยชน์แก่โลกและชีวิตยังไงถ้ามองอย่างนี้พุทธสาวกพระโสดาบันในสมัยขพัพวทธการเช่นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนี่เป็นกระสั์ที่ยิ่งใหญ่ในว้นมาคร ที่เป็นผู้ถวายเวรุวันเป็นสังฆารามแห่งแรกในพุทธศาสนาและก็รักษาโวศดเนี่ยเดือนละสีครั้งนาพาประชาชนอย่างนั้นด้วยพระเจ้าพิพิสารเนี่ยพระเจ้าพิพิสารเนี่ยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารเนี่ยสิบหุ่คือแสนสองหมื่คนเปี่เฝ้าพระพุทธเจ้าที่ลัทธิวันสวนตาลหลวพระเจ้าเทศนาอนุบุพีกถาพูดตั้งแต่ดังทานศีลนะไล่ไปตามลําดับ สักขะสวรรค์กามาทีนวะคาถาพูดเรื่องโทษของกรรมแล้ะพูดเรื่องเนคคำมานิสังสักคาถาน้อมจิตที่ออกจากการมแล้วมีความสุขอย่างไงเพราะจิตตั้งมันเป็นสมาธิเหมาะแก่การที่จะเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาและพระเจ้าพระเทศนาอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยที่ล้วนมากพระเจ้าพิมพิสารพร้อมได้บริวารสนะิบเอ็ดหน้าหุษแสนหนึ่งหมื่บรลูเลย เป็นพระโสดาบันกันหมดเลยเนี่ยนะอีกอีกหนึ่งมืน่นถึงสรารณาคมพุทธังสรารนังกชามีธรรมังสรารนังกชามีสังฆังสรารนังกชามตลอดชีวิตจะไม่ในถือสิ่งอื่นแล้วมั่นใจแล้วและจะฝึกตัวเองแล้วต่อมาท่านเหล่านั้นก็ต้องฝึกได้บรรลุตามมาตามลำดับเนี่ยหมดที่ขนาดนั้ น, นแล้วจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างสังคมอรารยชนจริง เปลี่ยนจะกบุรุษชนก็สู่ความเป็นอริยะจริงๆจึงเป็นสังคมที่น่าน่าทึ่เป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่ที่ปราศจากโทษจริงๆเป็นสังคมที่เป็นอริยะซึ่งผิดจากสภาพในปัจจุบัน<ม>ที่สภาพสังคมที่มันสับสนวุ่นวายเต็มไปด้วยโรคกรดหลงเต็มไปด้วยกายทุจริตวิญญาทุจริตมโนทุจริ ต, ร ต, รตเป็นสภาพสังคมที่ไม่น่าเอาตอนเองเข้าไปเกื้อ ก, กลัว้วเพราะถ้าไปอยู่แล้วเนี่ย ก็เป็นสภาพสังคมที่ไปไปมาแ้าจิตเรานี้ไม่มั่นคงแล้วก็จะต้องเสียหายเลยฉะนั้นพออยู่ต่อมาในพระยาพิพิสารเลยกลายเป็นกําลังสําคัญมากในการที่จะอบรมกุลระบุตรกุลธิดาทั้งหลายนี่มีการพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็จะมีการเรียกว่าอบรมเป็นระยะพออบรมเบ็ดเสร็จปูพื้นฐานสอนธรรมะพื้นฐานเบ็ดเสร็จแล้วก็ส่งไปเฝ้าพระเจ้าใเขาทิชกูดอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพสังคมที่พระพุทธเจ้าทรงพร่มสอนเนี่ยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงเอาอีกขั้นหนึ่งคืออาณาถาพิณิกาเศรษฐีฮะเจ้าของทุนทสร้างวัดเชตวันที่มีชื่อเสียงที่บํารุงพระภิกษุสงฆ์และสงเคาะคนอาณาขาถาอย่างไม่มใีใครเทียบเท่าเนี่ยอนณาถาพิณิกาเศรษฐีก็มาบรรลุที่กรุงราชฤทธิ์มาบรรลุที่เมืองแฝงมาคตเนี่ยเพราะมีเพื่อนก็มาทํามาการค้าขายในจาก สาวถัถีจากแฟนโกศลมาแฟนมาคตแต่พอมาเห็นสภาพบ้านเมืองที่พระพุทธเจ้าปักหรือว่าประดิษฐานพุทธศาสนาอยู่ที่วัดเวรุวันอารามอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารที่งดงามโอ้โหชื่อเสียงกชอนมากพระพุทธเจ้านิยุคนั้นพอมาเห็นแล้วก็ตะลึงในความเป็นอยู่ของประชากรจากสภาพสังคมที่เป็น อนอาระยะแล้วก็พัฒนาสู่ความเป็นอารยชนไม่ใช่เจริญทางด้านวัตถุแต่ทั้งด้านจิตใจใเจริญการขับเน้นในการพัฒนาเนี่ยผู้นําประเทศก็พัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุแล้วก็ให้ไปมีกฎหมายบ้านเมืองในการให้ประชากรอยู่ดีกินดีกันระดับหนึ่งแต่พระเจ้าเนี่ยขับเน้นไปที่ด้านจิตใจเลยเนะไม่ใช่ด้านวัตถุอย่างเดียวแล้ว คำนี้ไมได่ด้านจิตใจฝึกผลพัฒนาให้มีคุณธรรมอาณาถาพิธิกรยมเศที่เห็นอย่างนั้นก็ต้องการอยากให้แฟนโกศลเนี่ยเป็นสังคมอริยชนเนั่นกันก็หลังจากตัเองได้บรรลุก็อาณาถาพระเจ้าให้เสด็จแฟนโกศลที่สาวัตถีแล้วอนณาถาก็ไปสร้างวัดทวารแล้วที่สุดจริงๆไงที่พูดใ น, นสักครู่เนี่ยว่าจากประชากรเจ็ดสิบล้านเป็นอริยเนี่ยห้าสิบล้านห้าแสนเนี่ยปีมือ ข อ, ของท่านอนาณาจารย์พิิการที่เป็นผู้ว่ารัฐนาวุฒิจาวิกสุส่งอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาคือนางวิสาขามหาบาสิกานิเอตตะค้าป่ายทายิกาผู้มีบุตรธิดามากถึง20คนแต่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีมีบทบาทช่วยเหลื อ, อกิจการของสงฆ์อย่างสําคัญและเป็นผู้กว้างขวางแล้วก็มีเกียรติคุณนะอันสูงเด่นในสังคมในวนันโกศรนมา เออเห็นชัดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระโสดาบันบรรลุั้งเด่เจ็ขัวเนี่ยมเป็นบา ร, รมีมาเป็นหมาบารสิกานี่ชื่อเสียงกระชอนมาเนี่ยย่สังคมอริยชนคนระับอ่าทั้งด้านอีกท่านหนึ่งทั้งแฟนมาคตหมอชีวะกะมาลพัฒนนี่แพทย์ใหญ่ประจำพระองค์นะเขจะแฟนมาคต ล้วก็ประจญ์องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ดยมีเกียรติคุณยืนยาวมาด้วยในวิชาแพทย์แผนโบราณมาจนทุกปัจจุบันเนี่ยมอชิวะโกมารพัฒเนี่ยสร้างชีวะกะอัมพวั <c oughs> นเนี่ยเป็นวัดเหมือนกัน <c oughs> ติดกับเขาคิจกูดทางเดินลงมาพุทธเจ้าเสร็จดำเดินลงมาจากเขาคิจกูดจะต้องเจอวัดเจอสถานที่ถึงนี้ก่อนพุทธเจ้าก็ต้องใช้สอยสถานที่นี้ก่อนความทีพลิกษุบสงฆ์ถ้าสามารถอยู่กันได้เป็นเรือนพันุ์ ใจขนาดนั้นปัจจุบันก็เหลือแต่ซากอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นหรือนักกุลปิตานกะุลมาดาในคู่สามีภรรยาเนี่ยผู้คองรักพักดีมั่นคงนะยนตราบเท่าชลาและยังปรารถนาเกิดพบกันทุกชาติเดออันนี้ก็เป็นพระสนมยังปรารถนาน้าไปชาติหน้าก็ขอคองรักกัน ต, ตลอดอันนี้พูดถึงในทานของมีคุณสมบัต ของความเป็นพระโสดาบันเท่าที่รู้กันดีโดยทั่วไปก็คือพระโสดาบันเนี่ยสามารถจะละสังโยชน์สาสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัตตปรามาสะนี่ยังไม่ขยายก่อนนี่ตัวกิเลสที่พระโสดาบันละได้นี่ฝ่ายลบนี่ละได้ฝ่ายที่ต้องหมดไปแต่คุณสมบัติฝ่ายบวกฝ่ายมีเนี่ยคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยนะ ที่เาเรียกว่าคุณสมบัติฝ่ายที่จะมีอยู่ในพระโสดาบันเนี่ยที่หนึ่งศรัทธาสองศีลสามสุดตา 4. ี่จาคะความเสียสละห้าและปัญญาเนี่ยนี่คุณสมบัติอย่าค่อยค่อยขยายไปในคุณสมบัติฝ่ายมีก่อนว่าคนที่จะเป็นพระริยาระดับพระโสดาบันเนี่ยท่านมีอะไรหนึ่งด้านศรัทธาคือความเชื่อมั่น เชื่อแบบมีเหตุผลเชื่อมั่นในความจริงเชื่อมั่นในความดีงามและก็เชื่อในกฎธรรมได้อย่างเหตุและผลอันนี้มั่นใจในปัญญาของมนุษย์ที่สามารถจะดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาได้ตามแนวทางของเหตุผลนะและเชื่อในสังคมที่ดีงามของมนุษย์ซึ่งจะเจริญงอกงามขึ้นได้ตามแนวทางเช่นนั้นความเชื่อมั่นนี้แสดงออกมาด้วยความเลื่อมใสที่ยังลงด้วยปัญญาในพระรัตนตรเลย อย่างลงสู่พระพุทธเจ้าวัฒธรรมและพระสงฆ์เป็นศรัทธาที่แน่วแน่นหรือแน่วแน่ที่มั่นคงไม่ผันแปรด้วยเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากยาณนะเกิดจากความรู้เกิดจากความเข้าใจเขาเรียกปัญญาที่ฝังรากไว้หรือความเชื่อมั่นนีที่ฝังรากลึกลงสู่ปัญญามีระดับที่หนึ่งมีรูปแบบจํากัดความนี้ก่อนนั้นพระสัดาบาลจะมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมากเป็นเนื้อเดียวกับพระรัตนตรยัย ประการที่สองคือด้านศีลมีความประพฤติทั้งกายวาจาและการเลี้ยงชีพที่สุดจริตเป็นที่พอใจของอริยะมีศีลที่เป็นไทยเป็นอิสระไม่เป็นทาตและของตัณหามานาทิท่ิเขาเรียกอะไรแต่เขาเรียกอริยกันตัดศีลแปลว่าศีลทีพ่พระอริยะชื่นชมรักใข้ เป็นที่ยอมลกัลกของอริยชนเป็นอปรามัตสศีนแปลว่าศีลที่ไม่ถูกจับฉวยศีนที่ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิจับฉวยหรือไม่เปิดเปื้อนไม่เปิดปื้อนด้วยราคะคือความกำหนัดไม่เปิดเปื้อนด้วยทิฏฐิคือความเมินผิดเป็นศีลที่บริสุทธิ์เป็นไทยศีนโดยทั่วไปหรือบุรุษชนเนี่ยเวลารักษาเวลเจริญกันเนี่ยโดยมากไม่บริสุทธิ์ เป็นศีลที่ยังเปื่อเปื้อนอยู่ <c oughs> ยังมีตัณหายังมีทิฏฐิจับฉวยอยู่นะดังนั้นอป a r ม m a t t h i จึงไม่ถูกจับฉวยเป็นศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเนี่ยรูปคำก็ได้เป็นศีลที่บริสุทธิ์ก็แปลว่าเป็นศีลที่มีความไม่ไม่ถูกความถือมั่น ไม่ถือความยึดมั่นเนี่ยหรือศีลที่ไม่ต้องยึดมั่นก็หมายความเป็นศีลที่เกิดจากคุณธรรมภายในไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ละเมิดจึงเป็นไปเองตามปกติธรรมดาโดยไม่ต้องคอยยึดถือเอาไว้ในการรักษาศีลที่กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดการเลี้ยงชีพก็บริสุทธิ์เป็นที่พอใจของอริยชนเนี่ยเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นอิสามไม่เป็นทาาของตัณหา เป็นการประพฤติศีลเป็นไปตามหลักการตามความหมายที่แท้เพื่อความดีงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆและเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเลยนะเป็นไปเพื่อปราโมทปีติความอิ่มใจปัสถิความสงบสุขสมานัตและความช่ำชื่นใจแล้วก็เป็นฐานของสมาธิพราวตั้งมั่นแห่งจิต เมื่อได้ความตั้งมั่นแห่งจิตและก็พัฒนาไปสูิปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงสามารถถ่ายถอนกิเลสและกองทุกได้เข้าถึงพระนิพพานได้อย่างแท้จริงนี่ศีลอย่างนี้ก็มีจุดหมายที่ชัดไม่เอ็นเอียงไปถูกตั้นหามานธิทิเข้าจับฉวยหรือลูกขำเป็นศีลที่บริสุทธ์นะเป็นการรักษาศีลที่บริสุทธิ์และตรงตามความหมายของศีลที่แท้จริง ไม่เป็นการรักษาศีลที่มันเผยออกนอกเส้นทางหรือว่ามันมีตัวกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเกลือกกล้วนี่การรักษาศีลอย่างนี้เคศีลที่เป็นไทยไม่เป็นธานของตันหาไม่เป็นธานของทิฏฐินี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ไม่ถือศีลหรือประพฤติศีลแบบงมงายไปตามรูปแบบไปตามประเพณีโดยไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงไม่รักษาศีลไปตามตัวอักษรหรือไม่ไปประพฤติธรรมะไปตามไป ตามความเชื่อถือโดยไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแล้วก็เป็นการยึดไว้อย่างเหนียวแน่นนจนกลายเป็นสีรพฐะปารมาสะนั้นท่านจาระตัวนี้ได้พระสุด h บ r นท่านจาระสีรพฐตปารมาสะเป็นศีลที่ถูกต้องดีงามเป็นไปนตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องนะอันนี้จัดเป็นขั้นเป็นไปเพื่อการขัดเกลอกิเลสเป็นปการข้อความสงบจริงๆส่งด้านสุตตะนี่ยังจะไม่ขยายก่อน นี่เป็นสุตตวาอริยาสาวโกโออริยาสาวกเนี่ยผู้มีสุตตะได้เรียนรู้อริยธรรมรู้จักอริยธรรมนับว่าเป็นผู้มีการศึกษาที่ถูกต้องอสุตตะสุตตาเนี่ยจริงๆเอ่เอก็แปลว่าสุตตามายปัญญาก็คือเรียนเนี่ยได้สุตตะไม่ใช่สุตตาแบบผิวๆดวเป็นสุตตาที่เข้าใจอย่างทองแท้และเป็น การเรียนรู้อริยธรรมทำ ท, ท, ท, ท, ที่จะเป็นอริยเรียนรู้หลักการในการที่จะฝึกผลพัฒนาตนเองเข้าสู่จากบุตุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะหรือส่วนด้านจาข้าอยู่ครองเรือ น, นอถ้าเป็นคารวะก็เป็นผู้มีใจปราศจากตนีมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละยินดีในการให้การเฉลีย่ยการเจรจารแบ่งปันไอ้ที่จ่าค้าก็เป็นจาข้าแท้สละนอกสละใน ด้านปัญญาก็คือมีปัญญาอย่างเสขะรู้ชัดในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยิโรธมรรคยังไม่ได้ขยายแล้วก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจตระยลักเกลิจังทุกขังหน้าตาเป็นอย่างดีสลัดมิจฉาทิฏฐิในหลายๆรูปแบบต่างๆได้สิ้นเชิงหมดความสงสัยในอริยสัจสี่ด้วยเป็นผู้รู้จักโลกอย่างแท้จริงนะง สรุปแล้วก็คือด้านศีลสุสตาจากกะปัญญามีจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมฝ่ายมีคนที่จะเป็นพระโสะดาบันจะเป็นอย่างนี้อีประการหนึ่งด้านสังคมสังเกตดูนะในสมัยขั้งพุทธกาลเนี่ยพระโสะดาบันเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมะสาหรับสร้างความสามัคคีเป็นเอกอภาพก็หมู่ชนได้อย่างดีเลยก็คือว่า ในหลักของสารานีธรรมในหลักของสังฆวัตถุเนี่ยชัดธรรมที่เป็นฝ่ายให้ระลึกถึงกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเมตตากายกรรมเนี่ยโอ้โหบุคคลที่บรรลุเป็นอริยะเนี่ยท่านชัดเจนสแสดงออกมาทางกายด้วยเมตตาเนี่ยช่วยเหลือสแสดงกิริยาสุภาพนับถือกั น, นที่เป็นใบกับเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมแสดงออกมาทางวาจาเนี่ยบอกแจ้งแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพนี่ต่อกันเนมตตามโนโกรรมก็คิดถึงการมองกันในแง่ดีคิดประโยชน์ยิ้มย้มแจ่มใสายอย่างนี้เป็นต้นสาธารณโพคีแบ่งปันลาบันชอบทำเฉลี่ยเจียาจาย์ที่ได้มาร่วมกันแล้วก็ด้าศีลรสมาญตานมีความประพฤติชอบจเจริญศีลเสมอกันที่เป็นอริยกรรมศี ไม่ทําตอนให้เป็นที่รางเกลียดกับหมู่คณะทิฏฐิสามัญญตาก็ความเห็นชอบร่วมกันกับหมู่คณะเป็นอริยทฤษฎีก็ทฤษฎีที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นทฤษฎีของปาริยเจ้าเป็นทฤษฎีที่ชัดไม่ใช่แค่วิชาหาข้าวกินแต่วิชาที่ศึกษาแล้วเนี่ยฝึกฝนพัฒนาจรองเพื่อไปสู่การกําจัดทุกข์เลยแล้วก็ลักี้เลยวิชาเนี้ยเป็นทิฏฐิสามัญญตาเวลาจะเรียนรู้กันก็เรียนรู้ตรงนี้เลย เป็นอริยธัตสทฤษฎีที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้แก้ปัญหาได้นะซึ่งมีในพระรัตไตรนี้เท่านั้นเออถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าธรรมดาพระโสดาบันเนี่ยบอกเป็นธรรมดาของบุคคลที่เป็นพระโสดาบันนะเวลาต้องอับัตหรือละเมิดวินยัยซึ่งแก้ไขได้ก็จะรีบเปิดเผยแสดงให้พระศาสดาหรือเพื่อนหมู่คณะ ที่เป็นวุณยชนได้ทราบทันทีสังวรต่อไปเปรียบเสมือนเด็กอ่อนนะแบเบาะเหยียดมือไปถูกไฟแล้วก็จะรีบชักกลับทันทีเออถ้ามองเห็นชัดเลยนะว่าบุคคลที่เป็นอริยะเนี่ยโอไม่ได้เลยถ้าทําอะไรผิดรีบเปิดเผยทันทีรีบแก้ไขและไม่แช่อยู่กับบาปนานเหมือนเด็กน้อยเอามือไปถูกไฟพวกโอ้โหมันชักกลับทันทีต้องไปถูกต้องบาปรีบแก้ไขกับ เปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีเราเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> คือโกาบาปมากไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปแต่ต้องบาปเห็นเป็นโทษเลยวังนั่นนี่เป็นธรรมดาเลยนะเป็นธรรมดา <c oughs> หรือเป็นธรรมดาของบุคคลที่เป็นพระโสดาบันที่ว่าทั้งที่เป็นผู้เอาใจใส่ขนขวายช่วยเหลือกิจการธุระทั้งหลายอ่ะทั้งงานสูงงานต่ํางานใหญ่งานย่อยทั้งหลายเหล่าเนี้ยเรื่องของหมูเรื่องของกันนะแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความฝ่ายใจอย่างแรงกล้าในอธิศีน ฝึกจิตฝึกศีนันยิ่งฝ่ายใจอย่างแรงกล้าในอาทิตจิตในการที่จะฝึกจิตที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปฝ่ายใจอย่างแรงกล้าในอาทิตปัญญาคือการพิจารณาปัญญาให้ละเอียดถีท่วนยิ่งยิ่งเจริญพัฒนาปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งงานภายนอกงานภายในงานภายนอกงานสังคมอุทําอย่างดีงานภายในยก็ฝึกศีนสมาธิปัญญาอย่างติด ต, ต่อและต่อเนื่องท่านก็เลยอุปมาเหมือนเมฆโคโค่ลูกอ่อนเลยปากและหล็มญ้าก็ตาชั่มเลี้ยงดูลูกน้อย ก็คือทั้งช่วยส่วนรวมด้วยทั้งคอยฝึกตนเองให้เป็นไปในมรรคาของพระเชษฐเจ้าด้วยโอขนาดนั้นไม่ละทิ้งกิจเพราะตนเองยังทํากิตไม่จบก็จะฝึกผลตนเองอย่างเต็มที่ด้วยและในขณะเดียวกันก็คือมองดูโลกและสังคมด้วยเป็นไปพร้อมๆกันนี่ไหมเ น, นี่ยลักษณะนี้นั่นแต่คนเป็นพระสร้างสังคมให้เป็นอาริยชนได้นี่โอ้โหไม่ธรรมาดาที่ในยุคปฏิบัตินี้ต้องถือร่มเหลีย เราไม่ขับเน้นกันแล้วก็ไม่ระดมกันในการที่จะฝึกฝนกันจริงๆอย่างๆในการที่จะทําหรือบางทีเจตนาดีแต่ปัญญาไม่ถึงนี่ใกล้ก็ไม่สามารถที่จะระดมหรือแก้ไขชักจูงให้กับสังคมให้ฝึกฝนพัฒนาตนเองนี่เป็นอริยะได้แล้วกลัวด้วยนะกลัวว่าถ้าสร้างสังคมอย่างนี้แล้วเดี๋ยกลายเป็นสังคมที่เสียเปียก แท้จริงไม่ใช่แล้วมนุษย์ไม่เข้าใจจริงๆสังคมอย่างเงี้ยเป็นสังคมที่เป็นอุดมมาร์ิในพุทธศาสนาอย่เองนี่เป็นเรื่องที่ใช่ทีนี้ให้สังเกตเลยคุณสมบัติฝ่ายหมดหรือฝ่ายล้าเนี่ยสังโยชน์ที่ได้กล่าวไว้ราชพระสุรดารันท่านจะต้องล้เนี่ยนี่ฝ่ายมีเล่าไปแล้วนี่ฝ่ายที่จะต้องลักอันดับแรกเลืองสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดไว้เนี่ย มัดใจไว้สามอย่างก็คือหนึ่งสักยะทิฏฐิไอตัวสักยะทิฏฐิเนี่ยก็แปลความเห็นผิดนะว่าเป็นตัวเป็นตนมีติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นทำให้เห็นแก่ตัวอย่างหยาบแล้วก็เกิดความกระทบกระทั่งที่มีทุกข์ได้อย่างแรงๆด้วยไอตัวสักยะเนี่ยก็คืออัตวาธุบาธานนี่แหละความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนปกติเนี่ยมนุษย์เ็เห็น ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเห็นไหมเป็นกายของเราเป็นจิตเป็นความคิดของเราเนี่ยยึดมั่นในกายในจิตนี่แหละนี่เป็นสกิรยะสําคัญว่าเป็นอัตตาตัวตนแล้วหนักเข้าหนักเข้ามันติดสมมุติเขาอีกพอมาสมมุติกระแสชีวิตจะเป็นชื่อสมมติกระแสชีวิตเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องโอ้โหเป็นอีกเยอะจะติดไหมท่านเนี้ย ก็เลยติดสมมุตินี่กรณีแบบนี้แหละไม่ฉลาดในสมมุตินี่แหละพระโสดาบันทั้งหลายบุคคลที่พิจารณาปัญญาจนสามารถไปเข้าใจสัจจะทำตามความเป็นจริงอย่างเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วก็จะละความผิดผิดในกายในใจนี้ได้ไสมมุติทั้งหลายเหล่านี้ก็จะไม่ยึดติดสมมุติเข้าใจสมมติตามความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติตามสมมติได้อย่างดี ได้ไม่ขัดเคืองเลยได้ไม่ไม่มัวมองไม่ลุ่มหลงนี่ขนาดนั้นเลยนะแต่ถ้าละได้ละความยึดติดในสมมุติยติยึดติดในตัวตนเนี่ยความสําคัญว่าเป็นอัตตามันมีอยู่จริงไหมตัวตนมีอยู่จริงไหมเไม่ไ ม, ไมีไม่มีอยู่จริงหรอกตัณหามสมมุติขึ้นทิฏฐิมันสมมุติขึ้นมานะมนสมมุติขึ้นคือมานะสําคัญว่ามีมีตัวตนเราใหญ่เทียบตนเทียบตนนะ เปรียบเทียบตนตนต้องการตนเองเด่นดังใหญ่โตเป็นต้นแล้วก็ทิฏฐิสำคัญผิดว่ามีจริงๆว่าเป็นความเห็นของเราเป็นความชอบของเราเป็นความเชื่อของเราไอ้เรากับความเชื่อเป็นอันหนึ่งอนเดียวกันไปแล้วเป็นรูปเห็นมันเป็นอัตตาตัวตนไปเห็นผิดอย่างนั้นจริงๆยไปยึดมั่นในความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็ได้สุขทุกข์เฉย ไปยึดมั่นความจําว่าเป็นอัตราตัวตนก็ได้ไปยึดมั่นว่าเราทําดีเราทําไม่ดีก็ได้ไปยึดมันน่นในว่าปัญญาเราดีปัญญาเราด้อยก็ได้โอ้โหมันยึดมั่นขนาดนั้นจนมากเราเสียใจเราสุขใจทุกใจยึดมัน่นทั้งรูปทั้งนามเหล่านี้ก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ได้มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวธรรมหรือตามที่มันเป็นแท้จริงมันคือกระแสชีวิต มันเป็นกระแสของธรรมะมันคงเป็นกระแสของสภาวะธรรมก็ไม่สามารถมองอะไรเป็นไปตามความเป็นจริงเป็นไปตามกระแสอย่างรูปประธรรมและนามนธรรมที่มันเกิดดับสืบต่อได้จตนี่โดยการฝึกฝนพัฒนาปัญญายังไม่สามารถไปเจาะไปเห็นอย่างท่องแท้ตามความเป็นจริงเมื่อยังไม่เห็นท่องแท้ตามความเป็นจริงเนี่ยปัญญามันยังไม่เกิดนะก็ ม, มีตัณหาวินาศที่ถี่เข้ามาแทรกอยู่ในจิตก็เลยไปยึดถือรูป เวรนาสัญญาสังการยุญญยานว่าเป็นอัตราเป็นตัวตนจริงๆหนึ่งมาไอตัวนี้เขาเรียกสักกยะทิฏฐิครับยึดมั่นกะยึดมั่นขันห้ายึดมั่นขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นอย่างหยาบหยาเนี่ยไอกรณีอย่างนี้เป็นเหตุแห่งการกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงเลยการถือตัวถือตนอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมแล้วปัญหาต่างๆมันก็ตามมาจากการถือตัวถือตนนี่แหละยึดยึดติดว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยแหละทั้งๆที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยแหละ ก็ไปยึดติดสมมุติอย่างหนาแน่นแล้วนี่เป็นปัญหาของมนุษย์มีข้อแหลกนี่อันดับหนึ่งเลยพระโสดาบันนั่นละเดี๋นี้ได้ฉะนั้นท่านยังปลอดโปร่งโลงเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะอยู่ด้วยปัญญามองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นได้แล้วกิเลสทังท่านก็เหลือน้อยแล้วท่านกะตัดเชื้อแห่งการที่จะต้องไปลงอบายทุกขติวิธีบัตินรลบได้ทีนี้น เพราะไอ้ตัวทิฏฐิเหล่านี้ถูกถ่ายถอนได้ซะแล้วเนี่ยก็แปลว่าทุกทั้งหลายในสังสารวัตหดตัวหมดเล ย, เยหดตัวหมดเลยแทนที่ท่านจะไปจมอยู่ในกองทุกในสังสารวัตท่านก็ตัดตอนได้เลยเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปจมอยู่ในอบายทุกขติวินิบัตินะลกอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยตัวทิฏฐินี่เป็นเรื่องใหญ่เนีเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่ามนุษย์ยังไม่สามารถจะกำจัดมันได้ ถ้าตราบใดยังไม่เป็นพระโสดาบันถ้าปรารถนาจะละไอความเห็นผิดตัวนี้ให้ได้อย่างทองแท้ก็ฝึกพฤติกรรมฝึกจิตโดยเฉพาะฝึกปัญญานี่แหละเข้าไปทั้งตลอดตามความเป็นจริงให้ได้ถ่ายถอนบรรลุอริยมรรคอริยผลถ่ายถอนกิเลสคือสักยทิฐิเหล่านี้ออกจากกระแสของขันกระแสของชีวิตได้เมื่อไหร่ยังเด็ดขาดได้เมื่อไหร่มนุษย์ก็เป็นผู้ปลอดภัย ผู αι, ้ปลอดภัยอย่างแท้จริงประการที่2คือวิจิกิจฉาก็คือความสงสัยไม่แน่ใจต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ในศึกขาในข้อฝึกว่าทำจิตให้ไม่น้อมดิ่งไปในทางที่จะละหรือระดมความเพียรมุ่งหน้าปฏิบัติเข้าไปในมรรคาของพระเจ้าจ้าเกิดลังเลสงสัย วิจิกริชาเนี่ยไม่เกิดความลังเลสงสัยตัวนี้แหละไม่กล้ามันยังลังเลสงสัยเนี่ยไม่กล้ามั่นใจในหลักการปฏิบัติไม่มั่นใจในพระเจ้าไม่มั่นใจในหลักการที่พระเจ้าประกาศมาคือธรรมะกฎความจริงนั้นไม่มั่นใจในชุมชนของอริยชนว่าชุมชนนี้ดีจริงยังไงไม่มั่นใจในศึกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาข้อฝึกเนี่ยหลักการตัวนี้สามารถจะฝึกตนเองเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ความเป็นอริยได้จริงหรือไม่ ไม่มั่นใจนะ่ยที่ศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาก็ฝึก3าประการเหล่านี้ถ้าระดมเข้าไปจริงๆก็เกิดความลังเลจะเอาไปไม่ไปจะไปไม่ไปอยู่เนี่ยก็เลยชีวิตก็อยู่อย่างเงี้ยเหยีบหยบเรือสองแคมลังเลไอ้ารมาคุนก็ดีอ่ะหรือจะฝึกฝนจะบวชหรือไม่ดีนะนี่ลังเลอยู่เงี่ยไอ้คนที่มีวิจิตรฉาณนาเ น, น, นี่ยเนี่ยไม่บรรลุจุดหมายปลายทางนี่ชัด คือไม่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ทีนะที้แก้ได้ด้วยอะไรต้องแก้ได้โดยการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาให้ชัดถ้าศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาให้ชัดปุ๊บเมื่อไรแล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงหรือว่าทําลายตัวความลังเลสงสัยเป็นต้นอย่างนี้ได้ก็จะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแพ้ได้เนี่อย่างนี้เป็นต้น ประการต่อมาคือศีรพตปรมาสะจอ็ตัวนี้เคยได้กล่าวไปแล้วความถือหวที่เกี่ยวกับศีรจน์การยึดถือปฏิบัติศีลกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยข้อปฏิบัติหรือถนบธรรมเนียมต่างๆไม่บริสุทธิ์ตามหลักการตามความมุ่งหมายที่มุ่งเพื่อความดีงามเช่นความสงบเรียบร้อยและความเป็นบาตรฐานของสมาธิปัญญาเป็นต้นศีรพตปรมาสัก็คือการประพฤติ ศีลไปตามตันหาและทิฏฐิหวังผลประโยชน์ตอบแทนหวังให้ได้เป็นนั่นเป็นนี่ตลอดถึงการประพฤติอย่างงมงายสักแต่ว่าทำตามๆกันมาเยอะไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นปัญหามากเลยพอสร้างประเพณีสร้างรูปแบบสร้างกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาก็ยึดมั่นในสถาบันยึดมั่นในความเชื่อความคิดเห็นแบบแผนปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีอย่างเหนียวแน่นโดยไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงว่าจุดหมายเพื่ออะไรเป็น แม้การรักษาสีหรือเจริญสีก็ไปติดรูปแบบเ mm. มื่อไปติดรูปแบบเสร็แล้วเลยไม่เข้าใจจุดหมายที่แท้จริงว่าสีเนี่ยเป็นไปเพื่อความดีงามยังไงเป็นไปเพื่อการละ ก, กิเลสอย่างไรเป็นต้นเป็นการถ่ายถอนกิเลสและกองทุกเป็นไปเพื่อพระนิพพานยังไงก็ไม่เข้าใจตรงนั้นอย่างแท้จริงนี่เป็นต้นนี่แหละสักยะทิฏวิจิจิชาวสี ร, พ ร, พระพตปร a r a m a ประการต่อมาก็คือ เมื่ออย่างนี้สิ่งที่พระสสดาบันจะต้องละต่อมาก็คือละ ก, กลุ่มพวกมัชชริยะความตะนนีความคับแคบความมีใจคับแคบหงแหนความกิดกันผู้อื่นทั้ง5ประการก็มีอาวาสามัชชริยะห่วงที่อยู่ห่วงถิ่นกุลามัชชริยะหวงตระกูลพวกพ้องหวงสำนักห่วงสายสัมพันธ์เทียบกับที่พูดกันว่าเล่นพักเล่นพวกนี่แหละลาภามัชฉริยะก็ห่วงลาภห่วงผลประโยชน์กิจกันไม่ให้คนอื่นได้ดี วัน น, นมัชยริยะหวงกิตติคุณหวงคําสรรเสริญไม่พอใจให้ใครมีอะไรดีกว่าตนเองไม่พอใจให้คนอื่นสวยงามกว่าได้ยินเขาสรรเสริญคุณของอื่นแล้วไม่พอใจแล้วก็ธรรมมัจฉริยะหวงธรรมะห่วงวิชาความรู้ห่วงคุณพิเศษที่ได้บรรลุกลัวคนอื่นจะรู้หรือประสบผลสําเร็จที่เท่ากับตนเองนี้เป็นตน้นเนี่ยพระสระด า, านธนราพวกนี้นะหรืออคติทั้งสี่ฉันทาอคติเราเอียงเพชอบ โทษาคติลำเอียงเพราะโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะหลงและโมพยาคติระเอียงเพราะกลัวนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันที่จะต้องละตรงนี้ก็จะค่อยๆพูดกันไปทีละเล็กทีลน้อยว่าเออเนี่ยก็พูดต่อไปจะเอาพระสูตรที่เกี่ยวกับโสตาปฏิยังฆะทำทำที่เป็นพระโสดาบันมาค่อยๆขยายกันไปแล้วจะเริ่มขยายให้ชัดขึ้นเกี่ยวเรื่องพระราชนาตรัย ก็จะค่อยๆสนทนากันอย่างนี้ทุกวันไปเรื่อยๆเอาแล้ววันนี้ก็สมควรเกี่ยวกับข้อมูลท่าน